ตัวอหันตุสมะสัมปุทตะนะโมตัสสะตัวอรหันตุสมะสัมปุทตะนิดาวนิจัตุดัสสีติวะเสสเนปันติยาบุตตะกฤษายากาจิตาภิกขะทาติญาเฐนิโต barang นะหิโมอะตมโมจ สมมาธรรมสมมาวิปากิโนธรมโมเนริยังเนติธรมโมาเฟติสุตินติหมาสัมปริยัสสะอัตโตสัายสสเตหิชะกังธมโมโปนวันนีเป็นวัน นตุดาสีดิสทีที่สิบสี่ค่ำเป็นการระบิดเป็นวันธรรมมะสวนะบรรดาพุทธบริษัตททั้งหลายท่านก็ได้พร้อมใจกันมาประชุมส น, นิบาตโดยความพร้อมเปยกนกันณสถานที่นี้เพื่อจะได้ประกอบซึ่งพระภิกษุ ท่านควรเกดการกระทำบำเพ็ญให้เก็นภัยในเบื้องต้นมีการไหว้พระสังวัดใายุ่ตตมนต์และก็สมาทานซึ่งเป็นเจเวระตลอดถึงอโบโสถกสิทิเป็นที่จบลงด้วยดี ในโอกาสต่อไปนี้เราท่านทั้งหลายจากได้สนับรับฟังทมและก็ปฏิบัติทมโดยสมควรแก่รมและาากุาลภิกษุของตนของตน ในโอกาสนี้ก็จะได้นำธรรมะบางส่วนบางประการที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมีอยู่ในสวาราธรรมคือเป็นคุณของพระธรรมหรือเป็นเรื่องของพระธรรมมาแสดงจี J ้แจง พอเป็นแนวทางห่งการส่งเสริมเพิ่มเติมสติปัญญาในสมาปฏิบัติแก่เราทั้งหลายตามในยะทิทไยกขึนเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้นว่าในธรรมโมอธรรมโมจั ภูโสมะวิปากิโนอะธมโมนิระยังเนติธมปาเกติสุขดินซึ่งแปลเป็นใจความว่าแต่รมทั้งสองแต่แกรทมและอารรมย่อมให้ผลไม่เหมือนกัน ส่วนนธรรมนั่นย่อมนำไปสู่นรกส่วนธรรมนั่นย่อมนำไปสู่สวรรค์ดันงนี้นี้อคนคำ ของธรรมะมาสู่เป็นภาษาของพวกเราธรรมะในชื่อว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่างจากคำสั่งได้แก่สินหรือวินัยย่อหมายถึงเป็นตัวบทกฎข้อบังคับ ซึงเป็นพุทธบัญญัติหรือพุทธาธนะิัตเมื่อบุคคลผู้ใดก็ตามได้เข้ามาสู่ในความเป็นพุทธบริษัทได้แค่์ิกสุอิสุนิวบาสกุบาสิกา ตอดถึงสั ม, มเณรสั ม, มเนรลีแล้วส่วนหนึ่งจะต้องดำเนินชีวิตคราวคือปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกดข้อบังคับแต่ละอย่างนั้นนะั้นอย่างน้อยก็บดข้อบังคับหาประการ การไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นสูงสุดก็ในกฎข้อบังคับทั้งส่วนนธิปมัจจริยารมจรันรทั้งส่วนนภิ ส, สมาจารเกี่ยวกับการมารยาทโดยที่จะกำหนดนับได้227 น, นี่ย่อมเป็นพุทธานั้นเป็นพุทธบัญญัติเมื่อทรงห้ามแล้วใครฝ่าฝืนก็ดีเมื่อทรงอนุญาตแล้วใครไม่ทำตามก็ดีก็จะพึงได้รับโทษโดยสมควรแต่โทสานุโทษโทษในทีนี้ ทั้งแค่ไขได้เยียวยาได้กับทั้งที่แค่ไขเยียวยาไม่ได้โทษสูงสุดถึงแก่ตายไปจักความภาวะคือความเป็นความเป็นพระเป็นเดชเป็นพิษูพิสุนีสิกขามนาสัมเนริหรือเป็นสัมเนรหรือเป็นพุทธบริษัท โทษอย่างกลางและอย่างเบาเป็นโทษที่บึงแค่ไขให้กลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์ควรแค่มัรรคผลนิพพานได้แต่ในพอบโทษที่แค่ไขได้นี้ถ้าหากผู้ใดก็ตามเกิดไรนีโอตรปรา รือไม่มีความระยทั้งในที่รับประทิแจกเห็นเป็นสิ่งไม่สำคัญแม้สำหรับตนเฉพาะตนก็ตามก็ไม่อาจสามารถที่จะอยู่กับหมู่คณะหรือสังคมแห่งผู้มีศีลมีธรรมนั้นไนดะ้จะต้องถูกกำจัดออกจากหมู่จากคณะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือศี ประบุทธที่เจ้าพระองค์ย่อมส่งข้อบัญญัติและวางผลคือกําหนดโทษไว้ด้วยตามที่กล่าวเดยย่อมอันนี้คือเป็นคำสั่งส่วนคำสอนในแก่พระธรรมนั้นถึงจะแม้จะมีมากกว่าคำสั่งสักเพียงใดก็าตาม อันนี้ย่อมให้คุณและโทษอยู่ในตัวของมันคืออยู่ในตัวของธรรมะหากผู้รู้ได้แกวองค์สมเด็จและผู้มีประภคกช้าของเราตั้งกรายไม่ได้ตราโทษไวเหมือนกับศีลหรือวิไัยคำสอนนี้คือธรรมะ บุคคลผู้ใดประพฤติปฏิบัติอบรมให้เกิดมีขึ้นเป็นไปในกายและจิตผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับประโยชน์สุิผลบุคคลผู้ใดไม่ถึงไม่ปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตนซึ่งธรรมะนั้นก็นนอย่อมจะไม่ได้รับผลเองบุคคลผู้ที่ไม่มีธรรมะประจากายและจิตของตน จะพึงได้รับความเสื่อมความหายยนะควรถูกตีจิ้นนินทาทำเดชตีโทษรอดฐานไม่มีธรรมะอย่างไรขยอมจะเป็นไปตามตัวบทกฎเกณฑ์ของความไม่มีธรรมะในกายในวาจาจิตยาบนั้นผลของธรรมะนั้นใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม มันเป็นปัจจิตตังรู้เฉพาะตนด้ลิมรถเฉพาะตนจะมีธรรมะก็ได้ริมรถคือผลของมันไม่มีธรรมะก็ได้ลิมรถผลคือความไม่มีธรรมะอย่างนี้เป็นตน้นแรกธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้น หรือเรื่องของพระศาสนาของเรานั้นย่อมเป็นกลางกางเป็นสมบัติของบุคคลทุกๆคนทุกหมู่ทุกเราและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นของอะไรอะไรมันก็ย่อมเป็นของปู่กันมืดกับสว่างร้อนกับเย็นหิวกับหิวสุขกับทุกันนี้ชั้นใดคำว่าธรรม ะ, รรมะนั้น ก็ภูมิใฉันนั้นใช่ว่าจะมีแต่ธรรมะที่ดีขาวสอาดบริสุทธิ์อย่างเดียวธรรมะที่ดำมืดสกปรกโสมลก็มีย่อมเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นตามนัยยะที่ได้ยกเป็นหัวข้อในเบื้องต้นว่าทำและอรรมนั่นหละย่อมมีผลต่างกันคือไม่เสมอเหมือนกันไม่เหมือนกัน ส่วนนธรรมนั้นย่อมนำไปสู่นรกนิระยะแปลว่านิยังเนติย่อมนำไปสู่แดนหรือสถานที่หรือพื้นปิพบอันหาความเจริญไม่ได้ถือว่าไม่มีความเจริญนั่นเองนิระยะ ความเจริญนำความเจริญออกเสียแรงหรือความเจริญนั้นถูกนําไปเสียแล้วจากที่นั้นจึงกล่าวสั้นๆในความชัดๆว่าไปสู่นรกเป็นนิมิตหมายความทุกข์ไปสู่ความเสื่อมความหายยนะนั่นเองคือความไม่เจริญธรรมโมปาเปติสุขติ ส่วนธรรมที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ย่อมนำไปสู่สุขติคือความสะดวกสบายนรกนรสวรรค์ย่อมชี้ให้เราเห็นผลประกาศถึงผลบอกถึงผลแสดงถึงผล ของธรรมและอาธรรมธรรมและอาธรรมนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันธรรมก็เป็นคำสอนอาธรรมก็เป็นคำสอนใจว่าอาธรรมจะไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ว่า เมื่อเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาการอยากดีแล้วคำสอนหรือชี้แนะของพระพุทธองค์ไม่ได้สนหยุดส่งหยุดยังอยู่เพียงแค่แสดงหรือชี้ให้พวกเราผู้ใครต่ตอกความเจริญให้แก่ชีวิตของตนในทางธรรมเกี่ยวแก่ระศาสนาพระองค์ยังทรงชีนะ้แนะอาธรรมนั่น มันทรงให้ละให่งดให้เว้นเสียไม่พึงเจริญส่วนธรรมนั่นควรทาควรเจริญให้มากบำเป็นให้มากปฏิบัติให้มากระลึถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆระลึกถึงอยู่เสมอ เป็นตนท่านสอนอย่างนี้เมื่อท่านได้วางคำสอนชี้แนะลงไปงถึงขั้นนี้แล้วแค่แปลว่าจบโปรงทรงชี้โดยสมบูรณ์แล้วชี้เห็นมันนี่คือธรรมนะธรรมมันนี่ขาวบริสุทธิ์หยาดน้ำค้างมีความสว่างเหมือนพระอาทิตย์ อาธรรมนี้มืดเหมือนของดำเปรียบมือนกับความมืดทัาชีให้เมื่อพวกเรารู้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แล้วพระองค์ก็จะทรงสอนต่อไปว่าอาธรรมทั้งเปรียบกับของมืดนี้ ของชั่วไม่ดีนี่พึงงดเว้นพึงรักพึงระเสียจะได้คำธรรมบำเพ็ญให้มันเกิดขึ้นแม้จะมีอยู่แม้จะมันมีอยู่ในกายในจิตก็พึงหาอุบายวิธีกำจัดชำระสาสาง ม, มันหมดไปเสียจากกายวาจากจิตเพราะมันไม่ดี ส่วนธรรมที่ขาวหยุดหยุดจะนำค้างสว่างเหมือนพระอาทิตย์ในแก่ธรรมนั้นแม้ไม่มีในตัวของเราท่านก็สอนให้พากันเจริญให้คนคว้าสแสวงหาเมื่อคนพบแล้วเจริญให้ประบุมีขึ้นในกายในจิตก็พึงรักษาพัฒนาให้ดำรงทรงอยู่เจริญข้าวหนา้ายิ่งขึ้นไปในท่านสอนนี้แทนว่าจบ ไม่มีอะไรที่จะสอนต่อไปอีกเหลือแต่พวกเราว่าจะดำเนินตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเป็นไปโดยถูกต้องหรือไม่แต่นี่มันก็อยู่ที่เราเพราะพระองค์ทรงแสดงให้จบตามหน้าที่ของพระองค์แล้วให้รู้จักทารู้จักการทา แล้วก็ให้รู้จักวิธีที่จะพึงปฏิบัติตลอดถึงชี้ให้เห็นผลของธรรมและอนธรรมนะอย่งอางานํานำไปสู่ความเสื่อมความหายยะนะในที่สุดก็คือนรกส่วนธรรมนั้นนาไปสู่ความเจริญความสมประสงค์ในสิ่งอันตรงคุณปรารถนาโดยความเป็นธรรมในที่สุด ยอมบันเทิงรื่นเริงในสวรรัสค์ย่อมเป็นพฤติทบที่ตนปรารถนาซึ่งเรียกว่าสุขติประกาศทั้งเหตุประกาศทั้งทาที่ดีที่ชั่วประกาศทั้งผลของความดีของความชั่วแสดงถึงวิธีของการจะพึงกระทาต่อทมและอาธรรมนั้น โดยจบทวนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรเหลือพระพุทธเจ้าเปิดหมดโดยไม่ปิดางังํำพรางคือไม่หวงวิชาความรู้เหมือนพวกเราพวกเรามีความรู้จะเป็นควา ม, ามราาาู้ในด้านโหราศาสตร์ก็ดีในด้านแพทยศาสตร์ก็ดีแผนปัจจุบันโบราณาก็ดีและ อ, อื่นๆเมื่อจะสอนสิทธิ์นั้นก็คงไม่ปล่อยวิชาความรู้หมด เพราบครัวโรคจิตมันจะดีกว่าจะเก่งกว่าอะไรทำดองนี้แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเปิดเผย ห, หมดเลยไม่มีติดบังคำพรางดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ใกลต่อความเจริญหรือความดีงามอันเป็นเหตุที่จะ น, นำมาซึ่งผลอันที่ตนพึงปรานะและไม่พึงปรานา เมื่อพูดง่ายๆว่าเราเป็นผู้ไขในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามารู้อย่างนี้แล้วเราก็าควรที่จะต้องก็ เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราสิ่งในที่ยังไม่รู้เราก็าพึงตั้งใจศึกษา ฝันฝายคำบัมมกคเม่นสแสวงหาความรู้ในธรรมในาศาสนาให้แก่ตัวตนของตนเพราะคนเราเมื่อมีความรู้หรือพร้อมด้วยความรู้แล้วย่อมจะได้รับความสะดวกสบายในการที่จะพึงประบัติประพฤติธปฏิบัติ ไม่ว่าเป็นเรื่องของพาเวตประธรรมท ท, ที่ควรเจริญได้แกท่ทาที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดไม่ว่าจะเป็นปหาตประธรรมท ท, ที่ควรระงดเว้นและปล่อยวางเป็นธรรมที่ดำหรืออาธรรมถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจโดยถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงแล้ว การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องหรือเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในภาวะคือความเป็นพระเป็นเลนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้ใ น, ในที่สุดเป็นผู้ผู้ใคร่ตอบคุณความดีเรียกว่าใคร้ในธรรมย่อมจะนํามาซึ่งความสุขหรือความเจริญก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยาก เพราะเราไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดไม่รู้แม้กระทั่งตัวของเราเองว่าเราเนี่คือใครรู้ว่าเราเป็นคนต่างจากสาัตว์เดรัจฉานก็สัตว์แต่ว่ารู้ว่าคนแต่หน้าที่ของความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนั้นนั้นได้แก่อย่างไรเราไม่รู้หน้าที่ของการเป็นสามีปรรยาคนพ่อคนลูกคน เป็นสิทยิ์คนเป็นครูอาจารย์ของคนเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่คำว่าคนต่างจากสัตว์เรารู้คำว่าภุสามีพระนญยาเรารู้คำว่าวิดามานาบุตรเรารู้ศิทยิ์กับอาจารย์เรารู้รู้แต่ว่าเราไร้ความรู้ในนาทีเพราะคนเรานัคนจะถูกสมมติโดยธรรมชาติก็ตา่าง จะถูกสมมุติตามหลักที่โลกสมมุติก็ตามเขาไม่ได้สมมุติให้เป็นขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในภาวะคือความเป็นอย่างนั้นอย่างเราเป็นพระเราก็ต้องมีภาระหน้าที่จะต้องรู้รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือศินสองี่สิบเจ็นสัมมณเณนกสิกขาบทสิบ เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างน้อยก็คือสิน 5, ห้ากิริยานธรรมหเว้นในสิ่งที่ควรเว้นจเจริญส่งไว้ในสิ่งที่ควรจเจริญและส่งไว้ใช่ว่าจะโคนหัวปูดคิ้วแล้วผายอมน้ำฝาดไปคลุ่มให้แต่เต็มไปด้วยการไร้ความรู้ความเข้าใจในภาวะคือความเป็นของตน อันนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับเอาภาคาสายะในหัวัวตอมันต่างอันเียนแต่ว่าวัวตอมันเดินไม่ได้มันเคลื่อนไหวไม่เป็นเท่านั้นเงเพรา ะ, ะนั้นพวกเราผู้ไขในธรรมหวังความเจริญให้แก่ชีวิตของตนทั้งพบนี้และพบหน้าหรือว่าอย่างยิ่งไม้แก่ประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ปรารถนาะความอยู่เย็นเป็นสุข ในความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับราบยศสนเสริญหรือความร่ำรวยต่คำว่าอยู่เย็นเป็นสุขนั่นนะอยู่อย่างสงบสุขมีกายสงบเพราะไม่มีบาปใดๆเกิดขึ้นมีวาจาสงบมีใจสงบเพราะกายวาจาจิตนั้นประกอบด้วยศีลและธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นเศรษฐีมั่งมี เพียบพร้อมด้วยอรรสถานสิ่งคันทลายทั้งหลายทั้งปวงก็หาไม่ได้แต่ถ้าว่าเพียบพร้อมเป็นเศรษฐีด้วยการมีอริยทรัพย์มีศินมีธรรมประชำกายประชำจิตเมื่อเรามีสินห้าสิ่แล้วมีความสํารวมกายวาจาอยู่ในความเป็นปกติเราจะเป็นผู้มีความมงอาจ พราหานในตนของตนถ้าบุคคลผู้ใดมีศีลบริสุทธิ์เป็นคนที่พ้นจากเวรจากภัยจากความวายาบาทอาฆาตจองเวรภายในความรู้สึกหรือคิดของบุคคลผู้อื่นเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงไม่เสียไม่ไหายชื่อเสียงที่ดี ยอมจะระบือไยในทิศทั้ง4ี่เหล่านี้เป็นต้นถ้าประกอบด้วยธรรมบุคคลผู้นั้นก็จะมีจิตมีใจที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อใจของเรามีธรรมแล้วกายของเราก็มีด้วยวาจาของเราก็มีด้วย ต่างคนต่างช่วยกันมีศีลมีธรรมเมื่อเรามีศีลมีธรรมเรานั่งสบายนั่งเป็นสุขจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เป็นสุขเมื่อเราเป็นสุขแล้วคนอื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเราได้อย่างไรเมื่อเราไม่ยังความเดือดร้อนเป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้อื่นเราก็ไม่ทุกข์เพราะผู้อื่น เมื่อเราไม่ทุกข์เพราะผู้อื่นแม่ตัวของเราเองการยืนเดินนั่งนองนอกินดื่มทำผู้คิดประกอบคิดทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความยังให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะความไร้สินลทัทธิไม่มีในกายในจิตของเราแต่นี่ทุกวันนี้เราเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นทาสเป็นเนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบททัติครับ เราก็ยังไม่ไว้ที่จะต้องเป็นภูมิเพราะตัวเราเองแลบบุคคลผู้อื่นทงนี้ก็เพราะว่าสินแลธรรมมันไม่ตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตของเรานั่นเองสินละธรรมมันยังวันไหวสั่นครอนอยู่เดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวก็ลมดับลงไปสลายลงไปไม่ว่าสินไม่หว่าธรรมแต่เราพิจารณาดูให้ดี ขณะใดความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นความยินดีเกิดขึ้นยินดีต่อรูปต่อเสียงต่อเสียงต่อกินต่อรสต่อสัมผัสต่ออารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตจิตของเรามันหวั่นไหวสั่นคัอนกลายวาจาของเราก็หวั่นไหวสั่นคลอนขันสั่นไปอะไรมันสัน่น สินที่มีอยู่ประจำกายของเรามันสัตว์มันก็หลุดล่วงหล่นลงไปเพราะกายเรามันสัตว์วาจาสินอยู่ที่วาจาขันหล่นลงไปหลุกล อ, อกไปสินไม่มีทำไม่มีบางผู้บางคนเห็นแก่กิเลสมันอาจท่นานตังใจจริงละเมอเพื่อพบออกมาว่าขอเก็บสินเก็บทำไว้ก่อนวันนี้จะจัดการคิดบัญชีกับมันซะก่อน เพื่อความสบายใจตัวเองอย่างนี้ก็มีนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วสินธรรมที่มีประจำของเราพระเราก็ดีเนรเราก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีทําไมยิงต้องทะเลาะกันทําไมยิงต้องวิวาทกันทําไมยิงต้องอิจฉาริษยาแกล้งดี ชิงดีชิงเด็ดทำไมยังต้องห่วงต้องหึงต้อาระหองอะระแหงนี่เพราะอะไรเพราะความไม่มีสินมีธรรมเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นในจิตอาธรรมมันเกิดขึ้นในจิตค ว, ความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นครอบงําจิต การทำมันจึงปรากฏขึ้นที่กายกายก็ดีวาจาก็าดีตาหูจมูกริ้นกายทุกส่วนเป็นเบทีสถานที่เพื่อแสดงออกหรือประกาศบอกให้รู้สึกถึงความเป็นไปในจิตในใจเพราะจิตใจของเราเวลานี้ถูกอะไรครอบงำตกเป็นทาสของอะไรมันจึงแสดงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย และก็ทางวาจาถึงขนาดนั้นเราก็ยัง ถึงขนาดนั้นเราก็ยังอวดดิบวดดีเพ่าเราเป็นผู้กระทำพูดไม่ได้เห็นจะเป็นไปกับกิเลสไม่ได้ทำเพื่อกิเลสไม่ได้พูดเพื่อกิเลสไม่ได้คิดเพื่อกิเลสไม่ได้ทำเพื่อพูดพูดคิดเพื่อกิเลสทำเพื่ออะไร เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ปฏิบัติทำทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นเราเป็นผู้ใข้ต่อความเจริญเราเดินอยู่ในอธรรมที่ฉันนำไปสู่ความเสื่อมความหายณนะน้ีร่ระย่างารยยแต่ว่าความเจริญ น, นี้แปลว่านำความเจริญ อ, ออกไปเสียจึงสรุปลงไปสนผลที่สุดท้ายคือนรก หรือใบา ย, า, ยาผาหิบยผูมนั่นก็คือแดนแห่งความไม่เจริญให้เราดูนรกสวรรค์กันในปัจจุบันไม่ต้องไปรอคอยมันเสียเวลาในภ พ, พข้างหน้าวหลังจากทธาตุขันนั่นนี่แตกดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดมันเกิดขึ้นสมุดฐานอะไรเกิดขึ้นในจิตมันประกาศออกมาจากส่วนต่างๆของกายร่าายลอดถึงตาหูจมูกดินกายของเรา เราควรจะสงวนเขาไวให้เป็นที่มาปรการของธรรมะนั่นแหละดีเพราะสมบัติก่อนนี้กว่าพ่อแม่ของเราจะบัดทานมาให้นะมันไม่ใช่ของง่ายๆการเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่ใช่เป็นราบอันประเสริฐหรือเป็นของที่ได้โดยง่ายเลยนะกว่าจะมันจะพ่อรอดพ้นจากเงื้อมมือแห่งมัจจุราช การพ่นไผอุปสรรคไมยอย่างไร้กาศชะกันทีเดียวและก็เมื่อเราะระลึกถึงผู้ที่ให้กำเนิดเหมือนกับผู้ให้กำเนิดได้แก่พ่อแม่ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ยอมรักลูกจะให้อะไรไดแก่ลูกนั้นก็ให้เพื่อความเจริญและก้าวหน้าไม่เพื่อความเสื่อมความหมาย น, นะ ถ้าจะให้อาณภาพร่างกายก็คงจะต้องบอกถ้าบอกได้ก็บอกเออลูกเออจงไปทําความดีเท่านั้นนะความชั่วจงอย่าได้ทําเลยเพราะความชั่วมันไม่ดีปัจจุบันก็ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีท่านก็จะบอกอย่างนี้ท่านก็จะสั่งอย่างนี้ถ้าไปบวชในพระพุทธศาสนาก็จงปฏิบัติทั้งหน้าศึกษาปฏิบัตินาะลูกนะอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดี อย่าไปเที่ยวทะเลาะบอแว่งอย่าไปทำตัวเป็นเจ้าปัญหาคือเจ้าปัญหาอะไรเจ้าปัญหาก็คือสร้างเรื่องจะเข้าสังคมไหนอย่างไรก็ตามสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ความวุ่นวายทำให้สังคมก็วุ่นวายใครจะทำาอะไรมันไม่ ไม่ดีทั้งนั้นเลยดีสู้ตัวไม่ได้ถ้าตัวเราทำดีทําถูกทั้งนั้นคนอื่นทําอะไรผิดไปหมดแม้แต่เขาจะทํามาตั้ง 2,500 ันกว่าปีก็าตามมันก็ไม่ถูกไม่ควรอยู่ได้เลยสู้ความคิดของตัวไม่ได้สู้การกระทําของตัวไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้ความคิดของตัวหรือการทําของตัวที่ว่าดีนั้น นักป่าผู้รู้ทั้งหลายนะ่ไม่อาจจะทำได้ถ้าทำได้ก็งอดไว้พาไปสู่ความอานานาคนิรยังนั่นเองเพราะนักป่าหรือบัณดิตจึงทำตามไปแนะ้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พวกเรานะในยุคพวกเรานะที่เจ้า ง, ง่ออวดฉราเวื่อใจสกปรกบว ด, วดความเป็นปรลาด แม้แต่พระองค์ยังมีพระชนมาชีพยอยู่พวกมูเราที่ดังข่าวนี้ก็ยังมีในสมัยแม่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่สาวกทั้งหลายนะ่ะเกิดทะเลาะกันเกิดความไม่สามัคคีปลองดองกันเมืองเวสาลีนะ่ะเป็นยอดเป็นยอดแห่งความทะเลาะวิวาท บาดหมางในวงการของระศาสนาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พวกเราในยุคเราสมัยเราซึ่งเป็นผ้าพุทธชนเป็นผู้ปฏิบัติแบบพุทธชนผู้นําซึ่งยอดเยี่ยมเจ้าของระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับเหมือนอย่างวิหารของเรา เ, เหมือนหลวงพ่อจินนลา่ามีชีวิตอยู่พุทธสาวกสาวิกาในสมัยนั้น ก็ยังบางอาจสามารถแสดงความรื่อรั้นด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะทิฏฐิแปลว่าความเห็นมานะความยึดถือยึดถือในความเห็นของเจ้าของอันนี้เป็นธรรมอ น, นี้เป็นวินัยอันนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยน่าเกิดตรวิวาทกันขึ้น ท, ท, ทั้งๆที่พระองค์ทรงประทับอยู่หาได้เก่งขมไหมหาได้เก่งในความรู้ในการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ไหม เ, เมื่อไม่แกงอย่างนี้ก็แสดงว่าไงก็แสดงว่ากิเลสความโลภโกรดหลงมาน่าทิฏฐิสําคัญกว่าประเสริฐกว่าองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่แห่ไหวอย่างนี้เราจะว่างไงใช่ไหมนี่เราให้พากันไิเชิญนะเราจะเลือกเดินเราทำอะไรจะเลือกเดินทำตามธรรมะหรืออาธรรมถ้าเราเดินตามธรรมะ เราจะพบกับแสงสว่างและความบริสุทธิ์เมื่อเราตัวของเราไปสู่ธรรมะตัวของเรานี่แหละจะบริสุทธิ์ด้วยธรรมะการทำการพูดตลอดทึ้งความคิดของเราก็จะเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อเป็นธรรมขึ้นมาผลของมันก็จะเยือกเย็นนั่งเยือกเย็นสบายแม่แตกดับทำลาย อยู่ในความเยือกเย็นเงงธรรมะเราก็ไม่มีอะไรที่จะพึงสงสัยว่ามันจะไปสู่ทุกขติหรือสุขติทีนี้ถ้าหากว่าเราเดินบนทางของอาธรรมเลยมันก็จะนำไปสู่หายานะคือนอรกได้แก่ความไม่จเจริญอาธรรมเมื่อเรามองง่ายๆพูดง่ายๆมันเป็นทางเดินของกิเลส มันเป็นความรู้สึกที่เป็นไปกับกิเลสคําพูดที่เป็นไปกับกิเลสการกระทําใดๆเป็นไปกับด้วยกิเลสมีกิเลสเป็นเครื่องนํามีกิเลสเป็นเครื่องชี้ช่องเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิถีทางของกิเลสทั้งสิน้นในเมื่อเราผู้หวังความไข้จเจริญต่อชีวิตของตนในศาสนานี เราก็พึงหลีเลี่ยงอาธรรมเสียและพยายามยกชีวิตของเราขึ้นสู่แดนของธรรมะและเราก็พยายามที่จะอดละและพยายามที่จะเจริญให้รู้จักในการพัฒนาตัวเองหันมามองตัวเองให้มากถ้าเรายังด้อยในความรู้ที่จะนำความสว่าง ที่จะชี้แนวทางให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติของเรายัางมีน้อยอยู่ก็ให้เราฝันฝายไม่มีบุคคลผู้ใดหรอกที่จะแก่เกินกว่าศึกษาที่จะเกิดเกินแก่เกินกว่าที่จะการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราได้ในวิชาความรู้ซึ่งจะให้ความสว่างนํามาซึ่งความสะดวกในการปฏิบัติกายวาจาจิตของตน ให้พ้นไปจากอาธรรมให้มากด้วยธรรมะเราก็จงตั้งใจศึกษาการศึกษาเราก็เลือกศึกษาเอาเฉพาะเลือกศึกษาเฉพาะคือภาคของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการศึกษาที่กว้างขวางเหมือนอย่างผู้ที่เขามีเวลาเพราะงั้นในสมัยกรังพุทธิจการย์นักบวชของเราเนี่ยโดยเฉพาะคือบวชเป็นภิกษุ ถ้าบวชตอนแก่โดยมากจะเรียนกรรมฐานจะเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจา้าหรือในสำนักของพระอุบาชามีภาษาไิบุตรเป็นต้นทำไมจึงเรียนกรรมฐานเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าตนนั้นมีอายุมากแล้วถ้าจะไปเรียนรู้ในเรื่องของปริยักษ์ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจา้าอายุวัยของเราชรามากแล้ว มันก็จะไม่ทันการกันเพราะฉะนั้นจึงเรียนเราภาคปฏิบัติคือเรียนเฉพาะกรรมาฐานนท่านั้นเรียนกรรมาฐานคือธรรมะสําหรับที่จะควบคุมจิตใจเพื่อจะยกจิตใจพ้นจากกานาจของกิเลสคือความโลภโกรธหลงนั่นเองไม่ใช่อะไรไม่ใช่จะยกมันพ้นขึ้นไปสู่อะไรหรอกไม่ใช่จะยกเรียนกรรมาฐานเพื่อจะฝึกใจมันขึ้นอยู่บนแท่นแหน่งการมีราบมียศ มีสรรเสริญมีความสุขด้วยพุทธบริษัทบริวารไม่ใช่อย่างนั้นเรียนกรรมฐานเพื่อปฏิบัติขัดเราความรอบโกรธหลงให้มันหมดไปจากจิตจากใจถ้ายังหนุนยังน้อยก็าอาจจะเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางอย่างนี้เพรา ะ, ะ น, นเราก็ควรจะต้องถือหลักนั้นเราจะเรียนอะไร เราก็ควรจะต้องเรียนในภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเราเป็นวัดกรรมฐานทั่วประเทศไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าวัดกรรมฐานผู้ที่จะปฏิบัติรักษาศิกขาบทวินัยธรรมะคำสอนของมุปฏิชาจาโดยเฉพาะคือสิน227แต่ในภาวะความเป็นพิษสูนั่นนะรู้สึกว่ามันมีน้อย จะรักษากันได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็อยู่ในวงของพระกรรมฐานกรรมฐานก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเราข้อจงช่วยกันฟื้นฟูจันโลงทรงไว้มันก็ยังได้ช่วยกันสืบต่อซึ่งอายุพศศาสนาเพราะฉะนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมในเรื่องของธรรมร่าธรรมตลอดถึงประกาศถึงผลว่า ทำร้าทธรรมนั่นย่อมไม่ผลไม่เสมอเหมือนกันถธรรมนั่นย่อมนำไปสู่นรกส่วนธรรมนั่นย่อมนำไปสู่สวรรค์ในชี้หลักด้านแนวทางตามระยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาเป็นว่าพอสมควรแก่เวลาเหวัหงก็มีด้วยประกาศน์โนวันดี เป็นวันพันนรสีดิศีที่สิบห้าค่ำแห่งกาลปักบรรดาพวกเราเราพุทธบริษัททั้งกรงหหดและพันประจิตตามก็ได้พร้อมขายระจิตมาร่วมจุมนุมเพื่อประกอบ คุณงามความดีใส่ตนของตนในเบื้องตน้นเราท่านทั้งหลายก็ได้พากันประกอบให้สำเร็จรุ่งร่วมไปด้วยดีแล้วในโอกาสต่อแต่นี้เราท่านทั้งหลาย จะได้เพิ่มเติมกุศลบุญราศีกล่าวคือบารมีของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและ เพื่อต้องการขัดเกลวอบรมบม่มนิสัยกล่าวคือจิตใจของตนให้ดียิ่งขึ้นจากการสดับรับฟังซึ่งธรรมะอันควรแก่การฟังหรือควรแก่การศึกษา เพื่อจะได้น้อมนำมาสู่กายและจิตใจกล่าวคือปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตนของตนดังนั้นในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้นำธรรมมีคาถามาพรรณนาชี้แจง ตามกำลังสติปัญญาความสามารถและโอกาสเวลาจะเงยหนวยหัวข้อของธรรมะ ท, ที่ดียกขึ้นไว้ในเบื้องตน้นซึ่งเป็นประษาบาลีนันว่ายศศะกำมัง ยัดซาปาังกตังกัมมังภุสเรนะปฏิยติโซมังโรกังประภาเซติอาปามุตโตวะจันดิมาซึ่งแปลเป็นใจความว่ากรรมชั่ว อันบุคคลดใดทําไว้ในการกอดพึงมระเสียได้ด้วยกุศลคือความดีบุคคลผู้นั้นชื่อว่าอย่างโลกนี้ให้สว่างจุดดังพระจันอันพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้น นี่คือเป็นหัวข้อธรรมะอันได้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นหัวข้อซึ่งยอดที่สุดย่อมอมความหมาย ไว้อย่างมากมายแต่ในที่นี้นั้นเราจะพึงกำหนดหมายทำความเข้าใจแบบสั้นๆหรือว่าง่ายๆคำว่าบุคคล น, นั้นก็หมายถึงสัตว์โลกคือ เราท่านทั้งหลายนี่เองคำว่ากรรมนั่นก็หมายถึงการกระทากรรมนี้เราท่านทั้งหลายนับจำเดิมตั้งแต่ได้ผู้บัติขึ้นมาในโลกจเจรินไว้มาโดยลำดับจวบถึงปัจจุบันนี้ต่างก็ได้ประกอบกรรม คือมีการกระทําอยู่ตลอดเวลากรรมะแปลว่ากรรมตัวนี้นั่นเราท่านทั้งหลายก็ย่อมจะได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของการอธิบายว่ากรรมะในทางพุทธศาสนานั้นย่อมมีความหมายแตกต่างกับคำว่ากรรม ที่มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดแห่งพวงศักดิ์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยบรโบ ร, ราณสืบมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่จะชำระสาสางให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจกล่าวคือความรู้สึกนึกคิดได้ แม้แต่พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่รับการศึกษาในเรื่องของพระศาสนามาโดยลำดับมากบ้างน้อยบ้างจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สมดไม่สิินคำว่ากรรมสืบเนื่องมาแต่โบราณากาลจนถึงปัจจุบันนี้นั้น ก็หมายเอาถึงว่ากรรมนั้นหมายถึงความไม่ดีหมายถึงเหตุการณ์หรือการเป็นหรือการปรากฏขึ้นอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นมงคลสลิมงคลเราได้ชื่อว่าเรานิยมเรียกกันว่ากรรมอย่างคน ใดคนหนึ่งก็ตามเพื่อนมนุษย์เกิดแก่จิบตายตลอดถึงสัตว์ดิราชานถ้าได้รับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็มักจะลำพึงคือออกมาว่ากรรมหนออย่างนี้เป็นต้นเมื่อกล่าวสั้นๆแล้วคำว่ากรรมตัวนี้ในความรู้สึกนึกคิดประทับแน่นในดวงจิตใจของเรา สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นคำว่ากรรมนั้นก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั่นเองหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งแบบชนิดสันส้นๆเข้าใจง่ายๆก็หมายถึงวิบา ก, กรรมอันบาปเป็นต้นเหตุส่งผลให้ ผลของบาปนั้นย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาพึงพอใจและยินดีอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งพวงสัตว์ทั้งๆที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนิยมประกอบกรรมคือทาขึ้นมาจากกายของตนบ้างจากวาจาของตนบ้างและจากจิตใจของตนบ้างในขณะเวลาทำหรือประกอบขึ้นนั้น รู้สึกว่าจะมีความรักความชอบความนิยมอย่างแน่นหนาฝาขังยากต่อที่ใครๆที่จะไปอบรมเสียมสอนให้เลิกละทั้งในส่วนความลึกคิดและการกระทําในทางด้านจิตใจก็เต็มไปได้วยอุปทานและมานาทิฏฐิอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่น ในทิฏฐิคือความเห็นมานะเต็มปด้วยความถือตนถือตัวคือถือความคิดและถือการกระทําของตอนนั่นเองมีลสนิยมสูงและมั่นคงแต่พอผลของกรรมนั้นมาถึงเข้าบุคคลเหล่านั้นจะรีบปฏิเสธ ไม่ยินดีหรือไม่ยอมรับนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนดังนั้นคําว่ากรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ระบุบ่งบอกถึงว่าเป็นสิริมงคลหรือเป็นอภิมงคลเป็นโชคหรือลางร้ายหรือว่าลางดีคําว่ากรรมนั้นกรรมะหรือกราตุนี ท่านแปลถึงการกระทําเท่านั้นยังไม่ได้บ่งบอกถึงว่าดีหรือชั่วเป็นอปมงคลหรือว่าเป็นมงคลเป็นลางดีหรือลางลายแต่ท่านหมายถึงการกระทําเท่านั้นคำว่ากรร ม, มซึ่งมาจากกราติแปลว่าการกระทํา เราได้ยินอยู่เสมอสั์นี้ในทางศาสนาไม่ว่าเราจะไปฟังปาตากกถาหรือว่าฟังเทศฟังธรรมที่ไหนก็ตามจะติดอยู่ทุกครั้งของการฟังคำว่ากรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นในเราทำความเข้าใจง่ายๆว่ากรรมคือการกระทา แต่นี้เมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยศึกษาในขั้นตอนต่อไปจากการกระทำนั้นๆคือจากคำว่ากรรมนั่นเองการกระทำจะเป็นเครื่องแสดงออกหรือว่าเป็นนิมิตรเครื่องหมายจะบอกให้เรารู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งดีเลยชั่วและไม่ดีไม่ชั่วตลอดถึงผลอันจะพึงเกิดขึ้นทั้งส่วนอดีตเหตุปัจจุบันเป็นผลหรือจะปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลมันจะหมุนเวียนส่งทอดกันไปดุดจะลูกโซ่ ท่านจึงเรียกว่าวัฏตะเจนอย่างอดีตอย่างเราได้เกิดมาเป็นคนพ้นจากนรกเปตสุรกายและสัตว์เารฉันนับชนิดไม่ได้เราจะต่างกันเพียงแต่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายจะต่างเพศอย่างไรก็ตามก็พอที่จะสรุปลงไปได้ว่า หญิงก็ดีชายก็ดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ เ, เพราะอำนาจบุญกุศลไม่ใช่เพราะบาปอย่างนี้เป็นต้นเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผลเป็นตัวผลซึ่งเราได้รับมาเป็นตัวของเราในปัจจุบันคือชาตินี้ แล้วเหตุอยู่ที่ไหนล่ะเหตุปัจจุบันไม่มีเหตุปัจจุบันที่จะให้เราเกิดมาเป็นตัวมีตัวมีตนคือเป็นเราเป็นเขานี่ไม่มีมีแต่เหตุในอดีตคำว่าอดีตนั่นก็คือไม่ได่พบชาติในปัจจุบันที่เราจะมองเห็นกันในปัจจุบันนี้ มันเป็นภบชาติอื่นขาดตอนไปจากปัจจุบันนี้นั่นเป็นเหตุมันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการกระทาการพูดหรือการคิดหรือจะด้วยการบริจาคทานรักษาศีเลเจริญเมตตาภารมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุที่เรากระทาไว้แล้วในอดีต และเหตุที่เราก็ทำไว้แล้วในอดีตนั้นพอที่จะกล่าวลงไปได้ว่าไม่ใช่อดีตในภพของอบายภูมิทั้งสี่เราไม่ได้สร้างบุญกุศลในนรกในภพชาติของการเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นสนันสิเดชันและเราก็ไม่ได้สร้าง เหตุแท่งบุญกุศลที่ยันหนูนส่งมาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ในพบของสวรรค์สิบหกชั้นและพมรรคสิบกชั้นสวรรค์หกชั้นพมรรคสิบหกชั้นหรือหากมีมากกว่านั้นก็เปล่าทั้งสิ้นในอบายภูมิทั้งสี่ สวรรค์หกแล้วก็พม่าโลกไม่ใช่พบภูมิของการที่จะพึงประกอบเหตุให้สมฤรธจผลมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้หากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดังกล่าวเป็นแดนพพภูมิภูมิของการประกาศผล หากเป็นภพภูมิของการประกาศผลซึ่งมาจากเหตุด้วยซ้ำไปแต่นี้อบัยภูมิก็ไม่ใช่แดนสร้างเหตุให้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ที่สร้างบุญกุศลผิดบุญผิดกุศลไม่ใช่ที่ก่อร่างสร้างสมสวรรค์ลมมโรคก็เช่นเดียวกัน ถ้าเหตุนั้นแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้เราอาศัยอดีตเหตุแต่ที่ไหนเราอดีตอดีเหตุของการมาเกิดเป็นมนุษย์ทันได้ชื่อว่ามาจากบุญนั่นก็คืออดีตเหตุเช่นอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ คือพบชาตต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างในชาติปัจจุบันอย่างเราเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เองเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นพบเป็นชาติเป็นภูมิที่ดีที่สุดในบรรดาภพภูมิทั้งหลายในวั ต, ตนี้ให้เราคิดอย่างนั้น จักว่าเราเป็นผู้มีโชคและก็เป็นผู้มีโอกาสดีดีกว่าภพภูมิอื่นดีกว่าไบรรยภูมิทั้งสสวรรค์ทั้งหกพรมโลกทั้งสิบหกฉันหรือมีมากกว่านั้นเพราะอะไรภพภูมิดังกล่าวนั้น เป็นภพภูมิประกาศถึงผลไม่ใช่เป็นภพภูมิซึ่งตัวเหตุไม่ใช่แดนแห่งการสับสร้างบุญกุศลและเป็นแดนของการสั่งสมหากว่าเป็นภพภูมิหรือแดนของการใช้ภพภูมิของแดนของการเสเวย